พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าบวชเพื่อดูใจตนเองวันนี้จะมีการ บวชพระสามรูปฉันยังหานเสร็จให้วก็บวชละ่ะนี่บนพระอุปชาวัดป่าภูกรอนมานั่งอุปชาวันนี้เพราะฉันเสร็จแล้วก็จะบวชแต่เมื่อวานก็มีพระใหม่มาจากอุดรบวชมาจากอุดรสองรูปไม่อยู่เป่าอยู่ปฏิบัติธรรมพราะนั่นในวัดพระวัดเราก็เลยดูๆแล้วมัน นาตาพระขนาดอยู่ในป่าดงพงไผ่พระมากตามไม่จริงวัดต่างๆโดยมากทุวกวันนี้ก็ไม่มากกับพระป่าโดยมากห้าหองคสิบกว่าองค์แต่วัดของเราปีนี้ไม่ขาดสามสิบตลอดดูสิว่าพระมากอยู่แต่เนื้อที่วัดของเรา ก, กว้างนะตั้งพันกว่าไร่แล้วก็กุฏิที่พัก ก็เป็นเอกเทศห่างไกลห่างกันเว้นเสียจะเดินไปหากันไปคุยกันอันนั้นก็สุดแต่สุดแท้แต่แต่หลวงพ่อกไม่ไปคุยกันนะให้ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างภาวนาต่างองค์ต่างปฏิบัติเพราะเรามาภาวนามาปฏิบัติไม่ใช่มาคุยกันนะถ้าจะมาคุยกันไม่น่าจะมานานมาไกลถึงขนาดนี้ ไม่น่าจะลงทุนถึงขนาดนี้มาคุยกันคุยกันที่ไหนก็ได้คุยกันที่บ้านก็ได้นัดคุยกันที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอดอาหารคุยกันทํามาอย่างนี้ใครบอกอดทานอาหารมื้อเดียวอีกต่างหากมาอยู่ป่าอีกต่างหากเสี่ยงพิษภัยอีกต่างหากไม่เสี่ยงกลัวผีอีกต่างหากแล้วยังมานั่งมาคุยกันอีกนั่นแปลว่ามาอยู่ป่าดงพงไพ ผิดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าวัวตถุประสงค์ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาอยู่ป่าแล้วก็ต่างองค์ต่างอยู่แล้วก็ศึกษาธรรมะจะเรียนจะศึกษาจะท่องบนสาธยายอะไรก็ท่องบนสาธยายถ้ามีกิจธุระการงานก็ช่วยชวยกันทําเมื่อทําเสร็จแล้วก็คือเสร็จจากนั้นก็ปฏิบัติ ภาวนาของใครของเรา น, นั่นคือวัตถุประสงค์จากนั้นอยากจะฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์กันหลวงพ่อก็ให้วิทยุฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในวัดของเรารนะ7 2 5เจ็เมกะเฮิรตรับมาจากดาวเทียมเปิดตลอด24ชั่วโมงเป็นธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ กลางวันพอตกกลางคืนก็รมเทศนาของหลวงตาล้วนๆที่อบรมพระกลางวันท่านก็เทศทั่วๆไปนี่แหละอันนี้เราก็ให้วิทยุแต่ให้วิทยุไปเนี่ยจะไปฟังลำฟังเพลงเรไม่ได้นะถ้าหลวงพ่อเดินผ่านไปองค์ไหนได้สินเสียงเพลงร้องรำทำเพลงหลวงพ่อจะให้ออกจากวัดทันทีเพราะนั้นแปลว่าผิดประเภท ขนาดสินแปดเขาก็ยังผิดสินสินสองร้อยี่สิบเจ็ดของพระนะจะไม่ผิดได้ยังไงมันเป็นการรุ่นเริงบันเทิงเป็นการออกนอกลูก่นอกทางของพระเพราะนั้นอย่าให้ได้ยินถ้าหลวงพ่อเดินผ่านไปได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงจากวิทยุแล้วก็หลวงพ่อจะต้องบอกเพราะได้บอกได้แน่ย เพราะนั้นต้องเอาไปฟังธรรมจุดประสงค์ก็คือฟังธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกเบื้องต้นว่าเรามาอยู่ป่าเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อคุยกันหลวงพ่อให้วิทยุก็เหมือนกันให้วิทยุไปเพื่อฟังธรรมไม่ใช่เอาให้ไปเพื่อฟังร้องรำทำเพลงฮะอันนี้คือวัตถุ ป, ประสงค์เพราะนั้นขอให้พระใหม่พระเก่าทุกองให ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งบัตถุประสงค์ของหลวงพอ่อนะะหลวงพ่อรับพระรับเนตรมาก็เหมือนกันไม่ได้รับมาเพื่อมาอยู่ให้ในหมู่มากๆมากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่ใช่อย่างนั้นรับมาเพื่อให้ปฏิบัติให้มาตั้งใจปฏิบัติให้มาภาวนาต่อไปจะได้เป็นกําลังหลักเป็นหลักของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าจะเป็น พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ใหญ่ดํารงทรงศาสนาเป็นหลักให้แก่พี่น้องประชาชนหลวงพ่อรับมาสรุปแล้วก็คือเพื่อเป็นทายาทของหลวงพ่อเป็นทายาทคือเป็นลูกเป็นหลานเป็นทายาทที่สืบทอดพระพุทธศาสนานานเท่านานการบวชก็เหมือนกันถึงจะบวชพระเก่าพระใหม่ บางทีก็หลายรอบหลายรุ่นหลวงพ่อก็คิดว่าแต่ละรุ่นแต่ละรอบอาจจะมีองค์ใดองค์หนึ่งหลงหลออยู่เห็นคุณพระพุทธศาสนาก็จะได้ดำรงทรงระศาสนาต่อไปภายภาคหน้าอย่างองค์หลวงตาของเราก็เหมือนกันที่แรกท่านก็ไม่ได้อยากจะบวชแต่ท่านก็อยากเป็นฆราวาสเนี่ยอยากจะแต่งงานอีกต่างหาก แต่พอเข้ามาบวชแล้วท่านก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติศึกษาแนวทางอ่านพุทธประวัติอ่านสาวกประวัติแล้วก็อ่านงั้นได้ปฏิบัติได้ภาวนาตามที่พระอุปชาร์ได้สอนท่านก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะท่านมีอุปนิสัยบุญบารมีของท่านมีอยู่แล้วในอดีตพอมาบวชเข้าไปก็ส่งไปเลย ท่านก็ได้เป็นพระเถระมหาเถระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้เราก็ต้องเสี่ยงดูก่อนว่าใครอยากจะบวชเออคงจะมีอุปนิสัยมั่งอยากจะบวชเราก็รับไปก่อนอย่างน้อยกอ็ถ้าสึกออกไปก็ยังเป็นคนดียังเป็นพลเมืองที่ดีพอได้ผ่านวัดว า, าศาสนาได้ผ่านครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะ ไปฟังทำคําสอนในระดับหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นคนดีของประเทศชาติหลวงพ่อก็รับถ้ามากกว่า น, นั้นหลวงพ่อก็พยายามสอนถ้ามีอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมมาในอดีตชาติพอมาบวชเข้ามาแล้วก็สารต่อถ้าพร้อมที่จะเป็นพระที่ดีอย่างองค์หลวงตานะเป็นพระเถระมหาเถระต่อไปภายภาคหน้า นี่ะอันนี้ก็คือทายาตสรุปแล้วก็คือเตรียมทายาทค้นหาทายาทเลือกเฟ้นหาทายาทเพราะนั้นบางองค์เข้ามาเกเรเกตุงก็มีอยู่บ้างแต่ก็พยายามสกัดเหมือนกันเป็นเกเรเกตุงเข้ามาแล้วก็ต้องสกัดเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายยังเห็นอยู่ในกลุ่มของพวกท่านหลวงพ่ออาจจะมองไม่เห็นก็ได้ พอหลวงพ่ออยู่สูงกว่าแต่พวกท่านทั้งหลายคุกคลีกันอยู่ตลอดถ้าใครก็ตามถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกเลเกตุงเกกะละลานหมู่พวกเพื่อนอย่าเอาไว้อย่าหนักใจบอกมาเลยบอกมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อในนามเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองกันกลองเลือกเฟ้นพระที่ดีมาอยู่ในวัดไม่ใช่จะเอาเลือกเฟ้นพระเกเลเกตุง เกเรเกตุงกต้องไล่ออกจากวัดนักวัดนงไปนนักโลกไม่เป็นไรเพราะนักโลกมันหากินเองแต่นักวัดนี่ไม่ได้เพราะชีวิตของเราเนื่องด้วยพี่น้องชาวบ้านศรัทธาญาติโยมที่ทําบุญบริจาคมาด้วยน้ําจิตน้ําใจด้วยใจศรัทธาเสียสละทุนทรัพย์มาเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาเพื่ออยากได้บุญ เพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาอยู่ข้างในก็ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีให้มีศีลธรรมตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกสอนยังไงให้เป็นสากยบุตรที่แท้จริงเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนั่นแหละจึงไม่หนักวัดไม่หนักพระศาสน า, าแต่ถ้าเอาเอาอกนอกรูนอกทางล้วไม่ได้ บางทีตรงพ่อก็ได้ยินพวกญาติโยมพูดให้ฟังในสื่อต่างๆบางทีนทั้งที่อายุสามสิบี่สปีแล้วน่าจะสำนึกสำเหลียได้อันไหนปิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรทำไมไปหากินเหล้าแล้วก็ตีกันหน้าปูดหน้าบวมเสียมันไม่ใช่เสียคนสองค น, น้ น, นะเสียวงการพระพุทธศาสนาเสียสถาบันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น สอนให้คนเป็นคนดีพระดีให้อยู่ในศีลธรรมแต่ตัวเองมาไปทําไมทําชั่วยอย่างนั้นทําให้เสียหายเสียหายพระพุทธศาสนาเสียหายวงการใครๆที่ยินก็ขยาดไปหมดทําไหมก็เพาะว่าพระอยู่ในวงการน่าจะมีศีลมีธรรมน่าตั้งอก ต, ต, ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติทําไมจึงทําเร็วๆอย่างนี้พวกเราบริจาค อาหารการบริโภคเข้ามาเนี่ยจะได้บุญเหรอไม่ใช่เป็นทุกองค์เ ห, อหรอหลือเป็นส่วนมากทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ดูแลกันสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่วงในที่เป็นพระต้องช่วยกันคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกเลยบอกว่าองค์ใดก็ตามเกเลเกตุงไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยบอกมาให้บอกจัดการออกไปให้ไปเป็นครวาสซะ ไม่ใช่ฐานะที่จะมาอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ต้องปฏิบัติต้องเป็นพระที่ดีต้องเป็นพี่ยอมรับแอ่หลวงพ่อยังบอกออก่อนเขาบันธร์พิธมีพนกกะนธวกาามากหลวงพ่อบอกเลยบอกว่านี่นะหลวงตามหาบัวนะท่านบอกนะท่านบอกองค์ใดก็าตามมาอยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนลงหมัดลงมวยไปตีเขาเต่อยเขาองค์นั้น ต้องหนีออกจากวัดไล่ออกจากวัดทันทีไม่มีข้อแม้อะไรทั้งหมดแต่ถ้าองค์ใดองค์หนึ่งตีต่อยแต่องค์นั้นไม่สู้มีถ้ป้องกันตัวไม่สู้องค์นั้นยังเป็นพระที่ดีอยู่เอาไว้แต่ก็ต้องถูกสอบทำไมทำไมเขาจึงตีท่านต่อยท่านท่านไปพูดอะไรจะเป็นพูดเป็นประทียุแย่ ไปยุ่ยแย่องนั้นไปยุ่ยแย่องนี้จนหมู่ลำคาญองนั้นก็สมควรที่จะออกเหมือนกันพอต่อไปภายภาคหนา้ามันจะเป็นยุ่ยแย่ให้คนอื่นตีตัวเองอีกต่อยตัวเองอีกเนี่ยดวงตาท่านบอกอย่างนั้นนะต้องให้หนีนักวัดนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าเนี่นะทํำไม่าชาติชอบต่อยชอบตีอย่างนั้นนหะลาดาเนินลุมพินีเขาประกาศอยู่แล้วนักมวย ทำไมยังมาตต่อยมวยในวัดตรงพ่อว่าน่ะมันไม่ใช่สถานที่ต่อยมวยตรงเนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลมันจึงจะถูกแปลว่าถ้าใช้อย่างนั้นแปลว่าใช้ผิดสถานที่ไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นวัดวาศาสนาต้องสำรวมกายวาจาเป็นผู้มีศีลทำยังไง สำรวมกายวาจาทําไมไม่ศึกษาเราก็มาศึกษาเข้ามาปฏิบัติจากนั้นก็สํารวมใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนักพรตนักบวดที่หลวงพ่อรับมาบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานที่จะบวชในวันนี้ก็เหมือนกันสมองค์หลวงพ่อคิดว่าเพื่อเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าแต่บางทีท่านมีอุปนิสัยก็จะได้อยู่ ในพุทธศาสนาตลอดไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ได้ขนาดได้ขนาดถึงตามกำหนดที่ได้ตั้งใจเอาไว้จากนั้นเมื่อไปเป็นฆราวาสก็ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติเป็นคนดีเป็นสมบัติของประเทศใครๆก็ต้องการทั้งนั้นคนดีแต่ถ้าว่าบวชมาประเดียวประดาวไม่ได้แนะนําไม่ได้รับการอบรมแนะนําสั่งสอนเข้ามาบวช เข้ามาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับเราเดินเข้าไปในสํานักงานสํานักงานเนี่เขาไม่รู้จะทาไงเห็นว่าสํานักงานเนี่เขามีซื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเราก็เลยอยากจะเข้าไปพอเข้าไปก็วันสองสามวันกิจการงานของเขาเขาดําเนินกิจการอย่างไรเขาจึงโด่งดังตัวเองก็ไม่รู้เพราะเหตุใดเพราะมีเวลาน้อยเกินไปแต่พอเข้าไปไปเห็นเขาขเขาก็ไม่เห็นทํางานอะไร เดินโตโต๊เต๋อๆอยู่กันล่ะเป็นทำไมคนจึงยกย่องนับถือเชิดชูบูชาทําไมก็ไม่รู้เนี่แหละหลวงพ่อกลัวประเภทอย่างนี้หล่ะที่เข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษามาเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ได้ทําอะไรตัวเองก็พอเข้ามาแล้วกันนะบางแห่งเข้ามาถึงวัดก็มีโทรศัพท์มาด้วยไม่มีอะไรก็โทรโทรศัพท์หาคนนั่นคนนี้ออกจากโทรศัพท์หาค น, น, นเล่นเกมอีกท่างหาก พอเขามาอ้พระในวัดเขาไม่มีอะไรทําไมเขาจึงนับถือเริ่มใส่ทำไมจึงโรงดังทำไมคนจึงหลั่งไหลเข้ามานี่แหละอันนี้เขาว่าประเภทนีเข้ามายังไม่ได้ประโยชน์และยังทำลายอีกเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วเข้ามาเนี่ยต้องศึกษาอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ฟังเทศนะให้อ่านนะหนังสือนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็นะ้นคลังพระธรรม ข้องสมุดเรามีอยู่ให้ไปศึกษาค้นคว้าเพราะพระไตรเจ้าสอนอย่างไรเพราะพระไตรเจ้าออกบวชทําไมจึงออกบวชเมื่อออกบวชแล้ท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านภาวนาอย่างไงท่านจึงได้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนเดือนหกเพ็นนั้นท่านได้ตัดจรู้อะไรปุเพในวาสานุจติญาณจูตูปปาตยา น, ายานอาสาวะขยะญาณญาณทั้งสามนั้นคืออะไรเนี่ยพวกเราต้องศึกษา ในเมื่อศึกษาทําไม่รู้ก็ถามครูบาอาจารย์ออย่าไปถามปลายแถวนะไปถามองค์ที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะถามคนไม่รู้เหมือนถามตาบอดด้วยกันถามตาบอดทางนี่ไปไหนไม่รู้อบอกก็บอกผิดผิดถูกๆูกอย่างนั้นเขาว่าไปอย่างนั้นเขาว่าไปอย่างนั้นไปนั่นก็ต้องถามครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่รู้เอจากนั้นท่านก็จะได้แนะนําสั่งสอนวิธีการปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติรู้จักแนวทางแล้วก็นั้นลนะ่ะ เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจะรู้ได้ว่าเออการเข้ามาบวชนี่ไม่ใช่ธรรมดาจุดสูงจุดที่พระพุทธเจ้าเข้ามาบวชนี่ท่านให้มาสังเกตใจตัวเองฮะไม่ใช่มาดูที่อื่นไม่ใช่มาดูการดูงานถ้าดูการดูงานเนี่ยเขาไปดูการดูงานดูผลของงานเขาทำอะไรไปดูวัดวาศาสนาไปดูบวชไปดูศาลา อันนั้นไปนดูวัตถุภายนอกแต่หลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านมาให้นั่งดูใจพอเข้าไปในะอย่างหลวงพ่อพูดให้ภาวนานะพ่อไปก็เข้าไปอยู่ในป่ายูกุติตามลําพังนั่งขัดสมาธิเหมือนนั่งพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั้นถ้ามันเผลอพับไปมุ่นไปเข้าร้านอาหารไปหาเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้อย่างที่ตัวเองเคยเที่ยวมาก่อนนั่นแหละมันออกหละ่ะใจมันออกดึงกลับมามหากรรมฐานเก่าดึงเข้ามาพุทโธพุทโธมันแสลบออกไปอีกเออไปต่างประเทศไปเล่นโกงเล่นเกมฟังหมอร้องมอลำดนตรีไปเที่ยวเตร กับเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ไหนกาา็ไม่รู้ดึงกลับมาเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละตรงนี้แหละตรงสู้กันถ้าว่าปล่อยไปอย่างนั้นนะมีแต่เสียหายหลักของพุทธศาสนาปล่อยตามที่เหลืราคะโทสะโมหะถ้าเอาเข้ามาเนี่ยดึงเข้ามาให้อยู่กับที่ไม่ให้คิดให้อยู่กับตัวเองพุโทโธพุโทโธให้มีสติสัมปชัญญะไม่ให้คิดไปทางอื่นให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ ง, งอยู่ตลอดเวลา นี่แหละคือหลักของพุทธศาสนานี่แหละจุดที่เรามาบวชเข้ามาสู้เข้ามาสังเกตใจตัวเองจุดนี้แหละคือจุดที่พวกพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าทํางานทั้งปีทั้งวันไม่ใช่งานนั้นก็คือช่วยสาธา ร, รณประโยชน์ช่วยวัดท่านขอให้ทําก็ทําช่วยกันเพราเราขึ้นอยู่กุฏิวิหารศาลาที่พักพาอาใัยเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์พวกเพื่อนเขาทํามาก่อนเมื่อเราเข้ามาแล้ว เราจะมาสวยวัตถุอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้คิดแต่อ่านอะไรไม่ได้ช่วยกันดูแล ร, รักษาไม่ได้ช่วยกันก่อสร้างอะไรเลยทําอะไรเลยนั้นแหละแปลว่าเราซุบมือเปิบเราเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ถูกกี่เหมือนกันในเมื่อท่านขอร้องให้ทำเฉยๆเราก็ทําช่วยกันชวนภาวนาส่วนปฏิบัติอันนี้คือหลักจะเป็นพระเก่าพระใหม่ก็เป็นหลักให้ภาวนาดูใจของตนเอง เ, อเมื่อดูใจของเราแล้วใจของเราสงบ ใจของเรานิ่งสงบเมื่อจิตใจสงบรวมนั่นแหละเราจะรู้ได้ว่าเออพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาตัวนี้เองในจุดประสงค์ใหญ่คือตัวนี้เองเมื่อจิตสงบรวมลงไปแล้วที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเออจุดนี้เองที่เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า จุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะดังนัขอให้พวกเราทุกท่านนะพระใหม่ทุกองนะพวกเราทุกคนนะเข้ามาศึกษาทำคำสอนของพาาระพุทธเจ้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนานตอย่าไปคิดอย่างอือย่างอื่นนะั่คือภายนอกส่วนจุดพรประสงค์ของพาาระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆคือให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบนะเมื่อจิตใจสงบแล้วนะั่นละ ตาจิตใจของเราป่งฟุงซ่านเราจะคิดอะไรไดะออกอคิดต่อไปก็เหมือนบ้าคิดถ้าจิตใจผ่านความสงบแล้วเราจะคิดพิจารณาอะไรมันเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยพอใจของเรานิ่งคิดถึง อ, อนิจจังก็เป็น อ, อนิจจังคิดถึงทุกขังก็ทุกขังคิดถึงเป็นอนัตตาการณตาคิดเป็นอสุภะปฏิกูลคิดในอดในธรรมมารู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อย ถ้าจิตใจไม่ผ่านความสงบแล้วจิตใจปุ่งฝุ้งอยู่ตลอดเวลาอย่าหวังเลยที่จะรู้อ่านรู้ทะเราก็วใจให้คิด ป, ปลูกป่าปักปา่าสอนให้คิดคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเราถามบ้านกินข้าวแล้วยังผมมาจากบ้านนู้นค่ะเราไม่ได้ถามว่ามาจากบ้านนู้นเราถามว่ากินข้าวครับพ่อแม่ผมชื่อจากนู้นมันไม่ถูกวัตถุประสงค์ทางนั้นแหลพะพ่าเหตุอะไร เพราะใจมันไม่อยู่กับตัวเองมันใจมันฟุ้งปรุงอยู่ตลอดเวลาถามอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างถามอย่างหนึ่งเอาไปอีกอย่างเพราะเหตไรเพราะใจไม่อยู่กับตัวเองใจไม่เป็นสมาธินะถ้าจิตใจสมาธิต้องฟังเขาถามเรื่องอะไรตอบตามวัตถุประสงค์อย่างที่เขาถามมาเนี่แหละคนที่มีสมาธิดีต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเนี่ยเป็นเบื้องต้นสติสัมปชัญญะ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกฝึกสติก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมานั้นอะ่ะนะแล้วตอนนี้ไปรับพรอนุอนมโมทนาให้พร